พอใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นใจจะเข้าถึงธรรมวงเล็บเปิดสบหพฤศจิกายนสองพัห้าสีิบเวงเล็บปิดใหเรารู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆทีแรกรู้แล้วก็หวั่นไหวยินดียินร้ายต่อมาเราก็รู้ทันจิตที่หวั่นไหวยินดีอินร้ายอีกชั้นหนึ่งรู้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งทีแรกมันรู้สภาวะธรรมทั้งหลายแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันลงไป พอจิตหมดความยินดียินร้ายไม่ใช่ไปเพ่งให้หมดนะให้รู้เฉยๆมันจะดับไปเองความยินดียินร้ายมันเกิดจากการที่เราไปคิดให้ค่าว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันก็เลยยินดียินร้ายขึ้นมาพอเราไปรู้ความยินดียินร้ายโดยไม่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้ให้ค่าอะไรเพิ่มนะความยินดียินร้ายจะดับไปเองโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีต้นเหตุคือเราไม่ได้คิดปรุงไปความยินดียินร้ายก็ดับ ใจเป็นกลางเราจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเสมอภาคกันคือเกิดแล้วดับไม่ใช่เป็นกลางกับกิเลสอย่างเดียวเป็นกลางกับกุศลด้วยเพราะใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจจะเข้าถึงธรรมใจที่ยังดิ้นนะใจมันหิวมันก็ดิ้นไปเรื่อยจิตใจมันดื้อมันด้าน มันมีความหิวขึ้นมามันก็ดิ้นนะเราเอาอาหารไปให้มันกินคือเราตอบสนองกิเลสไปมันยิ่งได้เรียวแรงขึ้นอีกมันแข็งแรงขึ้นมันก็ยิ่งดิ้นแรงกว่าเก่าดิ้นเท่าเก่ายังไม่มีปัญญาสู้เลยพอเราสนองมันเข้าไปมันมีแรงมากกว่าเก่าอย่างคนเคยทําชั่วจะทําชั่วได้เร็วกว่าเก่า อย่างคนแต่เดิมไม่เคยโกหกเนี่ยเวลาจะโกหกทีหนึ่งใจสั่นริกๆมือเท้าเย็นหน้าแดงพอโกหกบ่อยๆเฉยๆนะพูดไปเรื่อยๆเฉยๆเราชินกิเลสจะยิ่งมีกําลังกล้าขึ้นกล้าขึ้นฉะนั้นอย่าไปให้อาหารมันตัดอาหารมันเสียตัดอาหารมันคือมีศีลให้ดีๆรักษาศีลไว้ให้ดีไม่ตอบสนองกิเลสแล้วก็คอยตามรู้คอยตามดูเรียนรู้มันไปเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลย กิเลสก็ส่วนกิเลสสิจิตก็ส่วนจิตสิคนละอันกันกิเลสก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนแมงมุมชักใยขึ้นมาแล้วกิเลสนั่นแหละกลับมาครอบงําจิตแมงมุมไปติดใยตายจิตมันแอบไปปรุงกิเลสขึ้นมานะแล้วกิเลสก็กลับมามีอิทธิพลครอบงําจิตต่อไปกิเลสก็มีกําลังกล้ามากขึ้นมากขึ้นคราวนี้บงการจิตได้ทั้งวันแล้วเพราะฉะนั้นสู้กับกิเลสถอยไม่ได้นะต้องสู้ตายนะสู้กันถึงเลือดถึงเนื้อเลย